บางคนนี่ปฏิบัติแล้วกลายเป็นคนเสียสติไปก็มีบางคนปฏิบัติแล้วฆ่าตัวตายก็มีนี่เป็นการปฏิบัติที่ผิดทางเพราะไม่ได้ศึกษาแนวทางของพรอปิติเจ้าไม่ได้ไม่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนไม่มีผู้นำทางนั่นเองดังนั้นการที่เราจะปฏิบัติ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 นี่คือความรู้ที่เราได้ศึกษาร่ำเรียนมาแต่ลภพแต่ละชาตินี้ไม่สูญหายไปสมมุติเราศึกษาและปฏิบัติทำในภพนี้ชาตินี้พอเราตายไปชาติหน้าเราก็ไปศึกษาไปปฏิบัติต่อเราไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ไม่เหมือนกับทางโลกเช่นเรื่องการหาเงินหาทอง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 ก็จะไม่ทำผิดศีลข้อสาคือการเม<การ>สุมิชาจาราจะไม่ไปหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นสามีหรือภรรยาของตอนจะหลับนอนกับสามีกับภรรยาของตนเท่านั้นก็จะปลอดภยัยจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายต่อไปพวกที่ปฏิพวกที่ประพฤติผิด